ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าความสุขมันจตืดจางก็อยากได้อีกอยากได้ใหม่อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากนะถ้าเราถ้าความสุขเนี่ยมันมันคงที่หรือว่ามันไม่แปรเปลี่ยนมันเป็นนิรันดนะ์ก็น่าจะรักสุขให้มากๆนะ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 บางคนทุกข์ใจเพราะว่าธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินเยอะแย ะ, ะไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เข้าหาธรรม ะ, ะมาปฏิบัติธรรมมาวัดก็ได้พบกับความสงบเป็นความสงบที่ใจซึ่งไม่เคยนึกว่ามันจะมี คุณค่าอย่างนั้นนะหลายคนบอกขอบคุณนะขอบคุณโรคมะเร็งขอบคุณวิกฤตเศรษฐกิจขอบคุณที่ธุรกิจล้มละลายบางคนก็ขอบคุณลูกด้วยนะลูกที่ขับสายไล่สงนะอุตสาเลี้ยงดูลูกแต่ลูกเนี่ยนะพอแม่พ่อยามแก่นะลูกไม่สนใจนะแม่ก็เลยไม่มีทางไปเจบเจ็บช้ำน้ำใจก็เลยมาวัดพอมาวัดได้พบธรรมะ อันนี้เพราะว่าความรังเกียจทุกเนี่ยมันผลักดันให้เราเนี่ยได้มาเจอของดีของวิเศษของประเสริฐแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเมื่อเรามาเจอความความสุขนะหรือความสงบแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะอุสาห์นี้มาแล้วนะ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 ไม่เข้าไปเป็นเวทนาหรือไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์นะแต่ว่าถ้าเรานะมองว่ามันเป็นธรรมดาให้ความเจความปวดเป็นธรรมดาไม่เกียดมันยอมรับมันนะไม่พักสายมันช่วยได้เยอะมีหมอคนหนึ่งเขาเร า, าเคยได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งหมอคนนี้เป็นผู้หญิงก็ขอดู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 สงสัยเป็นเพราะไรแต่ก่อนที่แก่เป็นวัยรุ่นเนี่ยแกเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเซฟเลมากนะกินเหล้าสูบบุหรี่นะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงกันนะเสี่ยงต่อสุขภาพเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยแล้วแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มานะตลอดแม้กระทั่งแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังอยู่แบบนี้เนี่ยจนกระทั่งภรรยาก็ขออย่าเอาลูกไปเลี้ยงเอง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 เซียนอันนี้มันเป็นโทรทัศน์ข่าวนะชั่วโมงและข่าวที่แกดูที่แกเห็นเนี่ยนะมันก็มีแต่เรื่องร้ายๆกันเยอะแยะนะอุบัติเหตุโรคระบาดสงครามการก่อการร้ายภัยธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแกดูๆไปนะแกก็ได้คิดนะว่าความทุกข์นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เลย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 ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับลูกเลยนะนึกถึงลูกก็อยู่เพื่อลูกนะหมอบอกแกอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะแกก็อยู่ได้เป็นปีนะเรียกว่าคุณภาพชีวิตก็ดีแล้วก็ไม่ได้ตายเวลาตายก็ไม่ได้ทุรนทุรายอะไรไอตอนอยู่แกก็มีความปกติสุขนะพอสมควรกับอัตภาพอันนี้มันเป็นชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะ